ครั้งนั้นมีมานพคนหนึ่งชื่อปิงคุตระเป็นชาวมิถิลาไปกรุงตักกศิลาเรียนศิลปะในสำนักอาจารย์ที่สาปามโมกเรียนได้รวดเร็วมานพนั้นให้ทรั์เครื่องตอบคุณแล้วลาอาจารย์กลับบ้านก็ทำเนียมมีอยู่ว่าถ้าธิดาในสกุล น, นั้นเป็นผู้เจริญวัยอาจารย์ต้องยกให้แก่สิทธิผู้ใหญ่ อาจารย์นั้นมีธิดาอยู่คนหนึ่งมีรูปงามเปรียบด้วยเทพอักษรลำดับนั้นอาจารย์กล่าวกับปิงคุตระมานพนั้นว่าเราให้ทิดาแก่เจ้าเจ้าจงพาไปด้วยแต่มานบนั้นไม่ใช่ผู้มีบุญเป็นคนกาละกันนีส่วนนางกุมาริกาเป็นผู้มีบุญมากจิตของปิงคุตระมาโนบมิได้ปฏิพั์เพราะเห็นนางกุมาริกานั้น มานพนั้นแม้ไม่ปรารถนานางกุมาริกาก็ต้องรับด้วยคิดว่าเราจะไม่ทำลายคำของอาจารย์พรามที่สาปาโมกได้ให้ทิดาแก่มานพนั้นมานพนั้นนอนณที่นอนอันมีสิริที่ตกแต่งแล้วในเวลาราตรีให้อึดอัดใจในเพราะนางกุมารีนั้นขึ้นมานอนด้วยก็ลงจากที่นอนนอนที่ภาคพื้น ฝ่ายนางกุมาริกาก็ลงมานอนใกล้ๆมานพนั้นมานพก็ลุกขึ้นไปบนที่นอนนางกุมาริกานั้นก็ขึ้นไปยังที่นอนอีกพอนางกุมาริกาขึ้นไปมานพก็ลงจากที่นอนนอนที่ภาคพื้นอีกชื่อว่ากาลกันณีย่อมไม่ร่วมกับสิรินางกุมาริกานอนที่ที่นอนมานพนั้นนอนที่ภาคพื้น มานพนั้นยังการให้ล่วงไปอย่างนี้สิ้นสัปดาห์หนึ่งก็พานางกุมาริกานั้นไหว้าอาจารย์ออกจากพระนครตักกศิลาในระหว่างทางมีได้พูดจาปราศัยกันเลยชนทั้งสองมิได้มีความปรารถนากันได้มาถึงกรุงมิถิลาฝ่าย ป, ปิงคุตรมานบเห็นต้นไม้มาเดือต้นหนึ่งเต็มไปด้วยผลในที่ใกล้พระนคร ถูกความหิวเบียดเบียนก็ขึ้นต้นไม้นั้นเคี้ยกินผลมะเดือ่อฝายนางกุมาริกานั้นก็หิวโหวยจึงไปที่โคนต้นไม้กล่าวว่าข้าแต่นายจงทิ้งผลลงมาให้ข้าพเจ้าบ้างมานพนั้นตอบว่ามือตีนของเจ้าไม่มีหรือเจ้าจงขึ้นมาเก็บกินเองนางก็ขึ้นไปเก็บเคี้ยกิน มานพรู้ว่านางขึ้นมาก็รีบลงล้อมสะต้นมาเดือด้วยน้ําแล้วกล่าวว่าเราพ้นจากหญิงกาลกันณีแล้วหนีไปนางกุมาริกานั้นเมื่อไม่อาจลงก็นั่งอยู่บนนั้นนั่นเองวันนั้นพระเจ้าวิเทหราชสเสด็จประพาสพระราชอุทยานทรงเล่นอยู่ในพระราชอุทยานนั้นแล้ว เมื่อประทับนั่งบนคอช้างเสด็จเข้าพระนครในเวลาเย็นได้ทอดพระเนตรเห็นนางกุมาริกานั้นมีพระหฤุไทยปฏิพัฒน์ในนางจึงตรัสสั่งให้ถามว่านางมีผู้หวงแหนหรือหาไม่นางแจ้งว่าสามีของนางที่สกุลตบแต่งมีอยู่แต่เขาให้ข้าพเจ้านั่งบนนี้ทิ้งเสียแล้วหนีไปอมัดกราบทูลความนั้นแด่พระราชา พระราชาทรงดำริว่าพันดะไม่มีเจ้าของตกเป็นของหลวงจึงให้รับนางลงแล้วให้ขึ้นคอช้างนำไปราชนิเวศอภิเศกสถาปนาไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีพระนางเป็นที่รักเป็นที่ชอบพระหฤรุไทยแห่งพระราชาชนทั้งหลายกำหนดรู้พระนามของพระนางว่าอุทุมพรเทวี เพราะพระราชาได้พระนางมาแต่อุทุมพรพฤึกอยู่มาวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ยังชาวบ้านใกล้ประตูเมืองให้แผ้วถางทางเพื่อประโยชน์ในการเสด็จพระราชดำเนินสู่สวนหลวงปิ่งคุตระมาโนพเมื่อทำการจ้างจงกระเบนมั่นถางทางด้วยจอบเมื่อทางยังไม่แล้วพระราชาประทับบนรถพระที่นั่ง กับด้วยพระนางอุทุมพรเทวีสเสด็จออกจากพระนครพระนางอุทุมพรเทวีได้ทอดพระเนตรเห็นปิงคุตรมานพผู้กาลกันณีนั้นแผวทางอยู่เมื่อทอดพระเนตรมานพนั้นด้วยนึกในพระหรุทยว่าบุรุษกาลกันนีนี้ไม่สามารถจะทรงสิริเห็นปานดังนี้ไว้ก็ทรงพระสวน พระราชาทอดพระเนตรเห็นพระนางทรงพระสวนก็กลิ้วตรัสถามว่าหัวเราะอะไรพระนางกราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพบุรุษผู้ถางทางนี้เป็นสามีคนเก่าของข้าพระบาทยังข้าพระบาทให้ขึ้นต้นมาเดือแล้วเอานามสะวงไว้แล้วไปข้าพระบาทแลดูเขาแล้วคิดว่า บุรุษกาลกันณีนี้ไม่สามารถจะทรงสิริเห็นปานดังนี้ไว้จึงหัวเราะพระราชาตรัสว่าเธอกล่าวมุสาเธอเห็นอะไรอื่นเราจะฆ่าเธอตรัสชนีแล้วทรงจับพระแสงดาบพระนางมีความเกรงกลัวพระราชาอาญาจึงกราบทูลว่าขอพระองค์ตรัสถามบัณฑิตทั้งหลายก่อนพระราชาจึงตรัสถามเสนกะว่า ท่านเชื่อหรือเซนกะทูลว่าข้าพระองค์ไม่เชื่อชายอะไรจะละสตรีเห็นปานดังนี้ไปพระเจ้าค่าพระนางอุทุมพรได้ทรงสดับคาของเสนกะยิ่งกลัวพระราชาอาญาเหลือเกินลำดับนั้นพระราชาทรงดำริว่าเซนกะจะรู้อะไรเราจะถามมโหสถเมื่อจะตรัสถามมโหสดจึงตรัสคาถานี้ว่า แม่มโหสดบัณฑิตสตรีรูปงามและนางสมบูรณ์ด้วยอาจาระมารยาทบุรุษไม่ปรารถนาสตรีนั้นเจ้าเชื่อหรือคําว่าสมบูรณ์ด้วยมารยาทศีลวตีในคาถานั้นความว่าถึงพร้อมด้วยอาจาระมัญญาตมโหสดบัณฑิตได้ฟังกระแสพระราชดำรัสนั้นจึงกล่าวคาถานี้ว่า ข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพระองค์เชื่อบุรุษผู้ไร้บุญพึงมีได้สิริและกาลกันนีย่อมอยู่ร่วมกันไม่ได้ไม่ว่าในการไหนไหนบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าย่อมอยู่ร่วมกันไม่ได้นะสเมนติความว่าย่อมเข้าหากันไม่ได้เหมือนฝ้าข้างนี้กับฝ้าข้างโน้นของทะเลเหมือนท้องฟ้ากับพื้นดิน พระราชาทรงทราบเหตุการณ์นั้นตามคำของมโหสดหายกลิ้วทรงยินดีต่อมโหสดตรัสว่าแน่เจ้าบัณฑิตถ้าไม่ได้เจ้าวันนี้ข้าจักเสื่อมจากอิทธิรัตนเห็นปา น, นี้ด้วยถ้อยคำของเสนกะผู้โชดเขาข้าได้นางนี้ไว้เพราะอาศัยเจ้าตรัสชมชนี้แล้วพระราชทานกหาปณะหนึ่งแสนบูชามโหสด ฝายพระเทวีถวายบังคมพระราชาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่เทพเจ้าข้าพระองค์ได้ชีวิตเพราะอาศัยมโหสถบัณฑิตข้าพระองค์ปรารถนาพระพรเพื่อให้มโหสถบัณฑิตนี้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นน้องชายขอพระองค์โปรดประทานเถิดพระเจ้าวิเทหราชก็พระราชทานพรแก่พระนางว่าดีแล้วพระเทวีเธอจงรับพร เราให้พรแก่เธอพระนางจึงกราบทูลว่าข้าแต่เทพเจ้าจำเดิมแต่วันนี้ข้าพระองค์จะไม่บริโภคอะไรอะไรมีรสอร่อยโดยปราศจากน้องชายตั้งแต่นี้ไปข้าพระองค์จงได้เพื่อให้เปิดประตูในเวลาหรือมิใช่เวลาส่งของมีรสอร่อยไปให้น้องชายนั้นข้าพระองค์ขอรับพระพร น, นี้ พระเจ้าวิเทหราชตรัสว่าตีแล้วนางผู้เจริญเธอจงรับพรนี้ปัญหาสิริกับกาลกันนีจบ